จเจลิญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทโอบาสุโอบาสิกาผู้ฝ่ายรรมทุกๆกันวันนี้เป็นวันพุทธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันพระวันธรรมัาสวนะวันฟังธรรม วันที่พระบรมศาสดาพระบาทพระ อ, อรหรันตาสัมมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้บัญญัติให้สาธุชนได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางร่างกายทางกิเลสตัณหาเพื่อให้มาทำภารกิจทางจิตใจ ท, ำ ท, ำ <S <S ทางธรรมเพราะ จิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราวแต่จิตใจเป็นของถาวรความสุขความทุกข์ทางร่างกายเป็นส่วนย่อยความสุขความทุกข์ทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ถ้าบัวแต่ไปดูแลความสุขทางร่างกาย ก็จะไม่มีเวลามาดูแลความสุขทางจิตใจก็จะปล่อยให้จิตใจนั้นสะสมความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็จะทนรับกับความทุกข์ทางจิตใจไม่ได้ก็จะต้องไปกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับตนและผู้อื่น ยมเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตขึ้นมาแต่ถ้าคอยดูแลรักษาใจอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรหยุดภารกิจทางร่างกายทางการหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางจิตใจกันจิตใจก็จะได้มีความสุขไว้คอยรักษา ไม่ให้ทุกข์มากจนคนไปจนทนไม่ได้จนต้องไปทำบาปทำกรรมกับผู้อื่นและกับตนเองเพราะว่าจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนกับร่างกายถ้าไม่ได้ดูแลรักษาก็จะต้องมีความชำรุดสุดโทรมมีความทุกข์มีความไม่สบายตามมา เราดูแลรักษาร่างกายได้เราก็ควรจะดูแลรักษาใจของเราได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าที่เราไม่ดูแลรักษาใจกันก็เพราะเราไม่เห็นความสำคัญของใจเราไม่รู้ว่าใจของเรานี้เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกจากร่างกายเป็นคนละส่วนเป็นคนละคนกันเรามักจะคิดว่าเรากับร่างกายกับจิตใจนี้ เป็นส่วนเดียวกันการดูแลร่างกายจึงคิดว่าเป็นการดูแลจิตใจควบคู่กันไปด้วยแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะดูแลรักษาร่างกายแต่เราไม่ได้ดูแลรักษาใจเพราะสิ่งที่จะให้ความสุขกับใจกับสิ่งที่จะให้ความสุขกับร่างกายนี้ไม่เหมือนกันนั่นเอง สิ่งที่จะให้ความสุขแก่ร่างกายก็คือปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่งหง่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ร่างกายของเราก็จะอยู่อย่างสงบสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ใจของเราถ้าไม่ได้รับการดูแลด้วย ปัจจัยสี่ของใจคือทานสีสมาทิปัญญาใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายที่ขาดปัดจจัยสี่ก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความว่าวุ่นขุนมัวไปอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะมีปัจจัยสี่ท้องร่างกาย มากมายกายกองมีทรัพย์เป็นจำนวนร้อยล้านพันล้านมีตำแหน่งมีฐานะที่สูงส่งมีคนคอยยอกย่องสรรเสริญเยินยองมีสิ่งที่มาอำนวยความสุขทางกายทางวะทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างมากมายแต่ถ้าทางใจไม่ได้รับปัจจัยสี่ คือไม่ได้รับทานไม่ได้รับศีลไม่ได้รับสมาธิไม่ได้รับปัญญาจิตใจก็จะเป็นเหมือนกับขอทานจะอยู่แบบขอทานอยู่แบบอดอยากขาดแคลนหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเรามาหาปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้สงบและด้วยการเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดใจของเราก็จะเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาความเป็นมหาเศรษฐีภายในนี้สําคัญกว่าการเป็นมหาเศรษฐีภายนอกเพราะมหาเศรษฐีภายนอกนี้ดูแลได้เพียงแต่ร่างกายแต่ไม่สามารถดับความ ทุกใจดับความวุ่นวายใจได้แล้วก็มหาเศรษฐีทางร่างกายก็จะเป็นอาหาเศรษฐีเพียงชั่วคราวเวลาร่างกายตายไปความเป็นมหาเศรษฐีก็จะหมดพร้อมไปกับร่างกายแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีวันตายถ้าเราทำใจให้เป็นมหาเศรษฐี เราก็จะเป็นมาเสถียีไปอย่างถาวรไม่มีวันหมดถ้าเราไม่ดูแลหาปัจจัยสี่หาทรัพย์ให้แก่ใจเราก็จะเป็นขอทานไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันเราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปขอไปหาสิ่งต่างๆมาบำบุมบำเลอ แต่หามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอเพราะสิ่งที่ใจไปหานี้ไม่ได้เป็นอาหารของใจไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจไม่ได้เป็นตั จ, จัยสี่ของใจนั่นเองเช่นการหาความสุขทางตางหูจมูกิ้นกายการหาลาบยศสรรเสริญการหาสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เป็นการหาปัจจัยสี่ให้กับใจแต่เป็นการหายาพิษให้กับใจเพราะจะทำให้ใจต้องทุกข์ต้องวุ่นวายไปกับราบยศสรรเสริญไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเพราะโดยธรรมชาติของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเจริญนะมีการเสื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงได้มีการเกิดมีการดับได้เวลาได้เวลาเกิดเวลาเจริญก็ให้ความสุขแใจของเราแต่เวลาที่เขาเสื่อมไปดับไปก็จะเป็นเวลาที่ให้ความทุกข์ทรมารแก่ใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าใจไม่ไปหา ยาพิษเหล่านี้มาใส่ใจใจก็จะไม่มีความทุกข์วิธีที่จะไม่หายาพิษเหล่านี้ก็ต้องใช้การหาธรรมะเข้ามาแทนถ้าเราไม่หาธรรมะใจของเราก็จะไปหายาพิษแต่ถ้าเราดึงใจให้มาหาธรรมะให้มาหาทานมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญา ใจของเราก็จะไม่สามารถไปหายาพิษต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับราบยศสะะเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผู้ตภก็จะไม่สามารถมาทําให้ใจต้องทุกข์ได้ เพราะว่าใจไม่ได้ไปให้ความสําคัญไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้ถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เดือดร้อน <Yeah. S 1> เพราะใจมีที่พึ่งที่แท้จริง <Yeah. S 1> ก็คือทำทำมังสารนังกระฉามนีนี่องที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายได้มาสร้างกันในวันพระนี้ ก็ให้มาสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็คือธรรมะธ ร, รมังสารนังกัจฉามิธรรมะก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ธรรมะปรากฏขึ้นมาภายในใจพอมีธรรมะภายในใจก็จะมีปัจจัยสี่มีที่พึ่งใจก็จะไม่เดือดร้อน กับการเสือ่อมกับการหมดไปของทางที่พึ่งทางกายหรือการเสื่อมหมดไปของร่างกายสักวันหนึ่งร่างกายของพวกเราทุกคนก็ต้องเสื่อมหมดไปต้องค่อยๆแก่ลงไปเจ็บไายได้ป่วยแล้วก็ตายไปในที่สุดถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจใจของเราจะาว้าวุ่นขุ่นมัวเดือดร้อน ไม่รู้จักว่าจะทำอย่างไรให้ใจไม่ทุกข์ได้เลยเพราะว่าไม่ได้เข้ามาทำธรรมะไม่ได้เข้ามาหาที่พึ่งทางใจนี้เองแต่ถ้าพวกเรามาวัดทุกวันพระมาทำทานมารักษาศีลมาฝึกจิตใจให้สงบมาฟังเทศน์ฟังธรรม ให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดเราก็จะสามารถรักษาใจของเราให้อยู่อย่างปกติสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมกับการสูญสิ้นของร่างกายหรือของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นลดโภตาภาไปนี่แหละคือความสำคัญของวันพระ ถ้าเราไม่มีวันพระเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะเราจะถูกการหาความสุขทางร่างกายนี้ฉุดลากเราไปเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเวลาติดยาเสพติดแล้วจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆถ้าต้องงดต้องเว้นสักวันหนึ่งนี้จะรู้สึก ทุกทรมานใจเป็นอย่างมากอย่างท่านที่ต้องมาอยู่วัดเพื่อมารักษาศีลแปนี่ก็เหมือนกับคนที่หยุดการหาความสุขจากสิ่งเสพติดไปหนึ่งวันจะรู้สึกว่ายากจะไม่อยากจะทำแต่ถ้ามีศรัทธาความเชื่อเห็นคุณประโยชน์ของการละเว้นการหาความสุขทางร่างกาย แล้วมาหาความสุขทางจิตใจก็จะยอมทนกับความยากลาบากกับความทุกข์ที่ต้องเกิดขึ้นเพราะจะเป็นช่วงที่ขาดยาเสพติดนั่นเองแต่ถ้าเรามาสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นภายในใจธรรมะนี้ก็จะช่วยดับความทุกข์ที่เกิดจากการ เสพยาเสพติดคือเสพกามนั่นเองกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะที่พวกเราตามปกติจะเสพกันทุกวันจะดูจะฟังจะดื่มจะรับระทานเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ไม่ได้เจ็ก็จะหงุดหงิดลำคาญใจจะว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาเราจึงตัดสินใจมาอยู่วัดกันหนึ่งวันในวันพระมาถือศีลอุโบสถก็คือศีลแปดคำว่าศีลอุโบสถนี้หมายความว่ารักษากันในพระอุโบสถนั่นเองซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวบ้าน ในวันพระจะมาถือสีลแปลแล้วก็มาพักที่วัดที่วัดไม่มีที่พักให้พักก็เลยพักกันในพระอุโบสถเพราะที่พระในพระอุโบสถเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางธรรมเช่นการฟังเทศน์ฟังธรรมการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วพอเสร็จภารกิจจะต้องพักผ่อนหลับนอนก็พักผ่อนกันภายในพระอุโบสถ ผู้ที่ถือศีลแปดในรูปแบบนี้จึงเรียกว่าถือศีลอุโบสถแต่ความจริงก็เป็นศีลแปดเหมือนกันสาหรับผู้ที่กลับบ้านแล้วไปรักษาศีลแปดที่บ้านก็ยังถือว่ารักษาศีนเท่ากับผู้ที่รักษาศีนในอุโบสถแต่มีความแตกต่างกันตรงที่สถานที่ที่รักษาอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้ารักษาในพระอเบสทนี้จะง่ายกว่าเพราะจะไม่มีสิ่งต่างๆมาคอยรบกวนใจเหมือนกับเวลาไปรักษาศีลที่บ้านเพราะเวลารักษาศีลแปที่บ้านเราอาจจะรักษาเพียงคนเดียวแต่คนอื่นในบ้านเขาไม่รักษากันเขาก็จะเปิดทีวีดูกันเปิดเพลงฟังกัน จะมีมหอระศพมีเครื่องบันเทิงต่างๆมีการเลี้ยงดูและพัฒนาอาหารกินกันเราที่จะต้องละเว้นการกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเกิดความรู้สึกทรมานใจเพราะเวลาได้เห็นได้ยินแล้วก็อดไม่ได้ที่อยากที่จะไปร่วมกับเขานั่นเองแต่ถ้ามารักษา ศีลแปดในพระอุบโบสถหรือในวัดที่มีทุกคนรักษาศีลแปดเหมือนกันก็จะไม่มีเหตุการณ์ไม่มีกิจกรรมที่จะมาฉุดลากใจให้ออกไปหาความสุขทางกามคุณห้าฐานรักษาศีลก็จะทำให้เราสามารถบำเพ็ญ จิตตะภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้ใจฉลาดเราก็จะได้กับเราก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบใจที่ระงับจากกามคุณจากกามฉันทะจากการอยากเสกกรมก็จะทำให้ใจเย็นใจสงบใจสบาย เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสีย ง, งกลิ่นรสผลิตภัณนี่คือสิ่งที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องฝืนทำกันถ้าเราอยากจะได้สาระที่พึ่งอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าอยากจะได้ความสุขที่จะติดไปกับเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าเรามีความสุขใจไปเราก็จะไปสู่สุขติสุขติก็คือที่อยู่ของเทพของพรหมของพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆถ้าเราไม่มีความสุขทางใจติดตัวไปมีความทุกข์ติดตัวไปเราก็จะไปเกิดในทุกขติไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรก เพราะใจของเราเป็นผู้สร้างพบเหล่านี้ขึ้นมาด้วยการที่เราปล่อยบาปเล่าเลยไม่ดูแลรักษาใจของเราปล่อยให้ใจของเราทำตามความอยากทำตามความโลภด้วยการทำบาปไม่รักษาศีลข้อต่างๆพอตายไปก็เลยต้องไปรับผลของบาปที่ทำเอาไว้ แต่ถ้ามาเข้าวัดมารักษาศีลมาทำทานมาฝึกฝนหบลมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิฟังเทศฟังธรรมหรือจเจริญพิจารณาสภาวะทางต่างๆให้เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใจก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอไม่ไปยุ่งเกี่ยว ความทุกข์ใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เกิดจากการที่ใจของเราไปยุ่งเกี่ยวกับสภาวธรรมทั้งหลายเช่นลาบยศสระเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพอสภาวธรรมเหล่านั้นเกิดการเสือ่อมเกิดการดับไปก็เกิดความทุกข์ใจตามมานี่คือหน้าที่ของพวกเราที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอบมาให้ไว้ให้กับพวกเราให้มาทำกันในวันพระความจริงการทำในวันพระเพียงวันใดวัดเพียงวันเดียวนี้ก็ยังไม่พอยังไม่ได้สามารถสร้างสารณะให้เต็มร้อยได้แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราได้มาชิมรสแห่งธรรมให้มาสัมผัสกับรสแห่งธรรมพอเราได้ชิมแล้วเราก็จะได้เกิด ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาเพราะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงเวลาเราไปรับประทานอาหารที่ไหนถ้าเรายังไม่เคยรับประทานอาหารจานใดจานหนึ่งถ้าเราลองสั่งมารับประทานดูถ้าได้ลิ้มรสแล้วเราก็จะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าถูกใจแล้วเราก็จะสั่งอาหารชนิด น, นี้อยู่เรื่อย เพราะว่าเป็นอาหารที่ถูกกับเราจันใดรถแห่งธรรมก็เป็นเหมือนกับอาหารชนิดหนึ่งที่พวกเราควรที่จะมาสัมผัสลิ้มรสกันดูถ้าได้สัมผัสลิ้มรสแล้วรับรองได้ว่าจะต้องติด อ, อกติดใจอย่างแน่นอนเพราะรถแห่งธรรมนี้ชนะรถทั้งปวงอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ได้สัมผัสกับรถ แห่งธรรมนี้ในขณะที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในสมัยที่ทรงพระยาวัยทรงประทับอยูย่ตามลําพังไม่มีบริษัทบริวารมาห้อมล้องพระไทยของพระองค์ที่เคยได้บาเพ็ญบา ร, รมีคือเนคขมะบา ร, รมีมาในอดีตก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาได้โดยที่ไม่ต้องบังคับ เพราะเคยเป็นมาแล้วที่ไม่ได้เข้าไปในในสภาพนั้นก็เพราะว่าถูกเหตุการณ์ต่างๆรอบพระองค์คอยดึงเอาไว้คือบอยสัตว์บริวารรูปศสียงกลิ่ลรสปวดทาพระเหตุการณ์ต่างๆพอวันหนึ่งไม่มีสิ่งเหล่านั้นล้อมล้อมอยู่ล้อมรอบ อ, อยู่ mm hmm. ก็เลยไม่มีอะไรดึงใจที่จะเข้าสู่ความสงบได้ ใจก็เลยดิ่งเข้าสู่ความสงบทรงได้สัมผัสรับรู้กับรสแห่งธรรมจึงทำให้พระองค์มีความขวนขวายมีความปรารถนาที่อยากจะได้สัมผัสนิมลดของธรรมอีกแต่ไม่ค่อยมีโอกาสเพราะเวลาอยู่ในพระราชวังก็มีภารกิจต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆมีบุคคลต่างๆ มีกิจกรรมต่างๆที่ต้องทำโดยไม่มีเวลาที่จะบำเพ็ญจนถึงเวลาที่พระมเหสีทรงให้ประสูติกับพระราชโอรสพอทรงทราบก็ทรงรู้ว่าถ้าประทับอยู่ในพระราชวังต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะออกไปหาความสุขทางจิตใจได้องค์เลยตัดสินพระไทย ที่จะต้องเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นโดยที่ไม่บอกใครเพราะถ้าบอกก็จะถูกห้ามอย่างแน่นอนจึงไปแบบเงียบๆมีมมนายฉันนะติดตามไปเพื่อเอาม้ากับเท่านั้นนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นหากเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรม แม้เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเดียวก็ตามแต่อำนาจของรถแห่งธรรมนี้จะทำให้จิตใจนี้มีความผูกพันมีความปรารถนาที่อยากจะลิ้มรสให้เพิ่มมากขึ้นไปบุคคลใดที่สามารถทำใจให้สงบแม้เพียงแค่ขณ ะ, ะเดียวเท่านั้นแค่ขณะฟ้าแลวก็จะเกิด ความรู้สึกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่ากับความสงบของใจนี้เลยเมื่อได้สัมผัสแล้วก็จะหาวิธีที่จะสร้างความสุขนี้ให้เพิ่มให้มีมากขึ้นถ้าเคยมาวัดอาทิตย์ละครั้งก็จะเพิ่มเป็นสองครั้งสามครั้งไปภาริจิตรงานต่างๆที่ไม่จำเป็นก็จะค่อยๆตัด ให้น้อยลงไปไปเรื่อยๆเพราะถ้ายังมีภารกิจต่างๆอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญที่จะมาทำจิตใจให้สงบได้ mm hmm. ก็จาเป็นที่จะต้องตัดภารกิจต่างๆลงไปและตัดความการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปเพิ่มวันรักษาศีลแปลดให้มีเพิ่มมากขึ้น เคยรักษาแค่หนึ่งวันต่ออาทิตย์ก็เพิ่มเป็นสองวันสมวันเพิ่มไปเรื่อยๆตามโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะรักษาศินได้ในวันไหนก็รักษาศีนแปดไปถ้ารักษาศินแไม่ได้ก็รักษาศีนห้าไปก่อนแต่อยาอยู่แบบไม่มีศีนเลยเพราะจะอยู่แบบขาดทุนเพราะจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไป ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้เวลาเราทำบาปนี้ส่วนใหญ่เพราะเราอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปแต่ความอยากจะได้นี่มันมีมากเช่นคนอยากจะเสพยาเสพติดเวลาหมดเวลายาเสพติดหมดแล้วไม่มีเงินที่จะซื้อยาเสพติดก็มักจะต้องไปทำบาปไปลักขโมย ตถวนี้มักจะมีขโมยมารักข้าวของในวัดอยู่เลยบางทีก็มาตัดสายโทรศัพท์เพื่อเอาสายโทรศัพท์นี้ไปขายแล้วจะได้เอาเงินนี้มาซื้อยาเสพติดได้เสพยาเสพติดก็เพียงชั่วขณะไม่นานความสุขที่ได้ก็เดียวเดียวแล้วก็หมดไปแต่บาปที่ทำไว้นี้จะติดตัวไป ตายไปก็จะต้องไปเป็นเดละชะนบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างซึ่งไม่คุ้มกับการได้ความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆชั่วประเดียวประดาสู้ยอมทุสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ได้สิ่งที่อยากได้จะดีกว่าเพราะถ้าเราสู้ไว้สู้ได้แล้วต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเองแล้วต่อไป เราก็จะเลิกได้เคยเสพยาเสพติดเราก็จะเลิกเสพได้ถ้าเรายอมทนกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่นานดีกว่าต้องไปทุกข์ในคุกของอบายที่จะเป็นเวลาที่ยาวนานกว่ามากหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกัน ดังนั้นถ้าเรารักษาศินแปไม่ได้ก็ต้องรักษาศินห้าไว้ให้ดีเพืนะ่อเราจะได้มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปเสียเวลาชดใช้กรรมในอบายนะนะแล้วเราจะได้กลับมาบำเพ็ญสาระที่พึ่งทางใจต่อไปจนได้ครบเต็มร้อย เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปผู้ที่บำเพ็ญธรรมะตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือทำทานรักษาศีลเจเริญสมาธิจเจริญปัญญาถ้าสามารถทำได้เต็มร้อยจิตใจก็จะได้ธรรมะเต็มร้อยพอมีธรรมะเต็มร้อยอยู่ภายในใจจิตใจก็ มีที่พึ่งเต็มที่ไม่ต้องไปหาที่พึ่งจากทางร่างกายอีกต่อไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกต่อไปมีแต่ธรรมะเป็นที่อยู่เป็นที่พึ่งของใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่าปรมังสุ ข, ขังนี่เองเกิดจากการมาวัดในวันพระมาทำทานมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาทำจากน้อยไปหามากเบื้องต้นก็ทำอาทิตย์ละวันต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันจนสามารถทำได้ทุกวันเมื่อพร้อมก็สามารถที่จะออก บำเพ็ญเป็นนักบวชอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญได้พอบำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้าผลก็จะได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับอย่างแน่นอนก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดนี่แหละคืองานของพวกเรานี่คือภารกิจของพวกเราที่แท้จริง ภารกิจอย่างอื่นอย่าไปทำมากจนเกินความจำเป็นทำพออยู่ได้ก็พอเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้มาบำเพ็ญภารกิจทางใจว่าเป็นภารกิจที่แท้จริงที่จะให้ความสุขที่ถาวรแก่พวกเราจึงขอฝากเรื่องของการมาวันในวันธรรมชาตนี้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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากรรมเธอ